อยู่ที่ไหนก็นมีภาระไปที่ไหนก็นมีภาระมนุษย์โลกนันก็ต้องมีอย่างนี้แหละต้องเป็นภาระต้องมีภาระอยู่กับตัวเองก็ยังมีภาระอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาระฮเวปัญจักขันธาเนยขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักหมดภาระกับขันยังเหมือนภาระกับจิตวะเนี่ย จิตจะต้องพาท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆอีกจะทำยังไงถึงจะเอาชนะจิตใจตัวเองได้เท่นี่มันเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยเกินเรื่องพลาเวปันจากขันธานี่เรื่องขันธ์ทั้งห้าเนี่ยก็เป็นพะละอันหนึ่งเรื่องภายนอกก็เป็นพะลาอันหนึ่งเรื่องหน้าที่การงานก็เป็นพะละอันหนึ่งหมู่พวกเพื่อนพร ะ, ะโดยมากเป็นาร ะ, ะกัน เกือบทั้งนั้นว่าไงแน่เนี้ว่าพราหาเวปันจักขันทานขันทั้งหะขันทางห้าเป็นพระอันักจะทํำยังไงจึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจแ่ละอย่าไปปล่อยวางข้างนอกก็ปล่อยวางได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าไม่ปล่อยวางอยู่ที่ใจมันก็ยังว่านะแบกจนทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ยังละเมอเพ้อฝันอีกเพราะมันแบก แบกภาระแต่ข้อสำคัญก็ให้เรามุ่งมั่นนะให้มุ่งมั่นจิตใจให้มุ่งมั่นถึงอย่างไรอยู่ณนะสถานใดก็ตามอยู่ในสถานะไรก็ตามอยูออ่ดงป่าดงพงไพในบ้านในเรือนในสถานใดก็ตามให้เราตั้งใจอยู่เสมอว่าข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าพเจ้าจะทำดีบูชาพระคุณเหล่านั้นยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นได้ ล, ลึกได้หรือไม่ได้ ล, ลึกได้พอดีข้าพเจ้าขอบูชาหนอบน้อมผู้มีพระคุณเหล่านั้นตลอดจนเข้าสู่พณิพนานอันนี้คือความมุ่งมั่นในใจของเราต้องตั้งใจอย่างนั้น แล้วก็พร้อมกันเราก็เด่นนึกน้อมไปอีกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ประม า, าทพลาดพลัง้งด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกเวลานาทีขอมหากรุณาที่คุณอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ให้เกิดสิ่งที่มันไม่ดีเกิดเกิดขึ้นในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของข้าพเจ้า อันนี้คล้ายๆว่าเตรียมพร้อมไม่ให้ประมาทในจิตในใจพร้อมที่จะสั่งสมคุณงามความดีไว้ในใจอยู่เสมอนอันนี้ก็คือความตั้งใจคือความมุ่งมั่นในใจก็พร้อมกันเราก็ตั้งจิตด้วยเมตตาข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อข้าพเจ้าและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลก จะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตติธัชฌานก็ดีจะเป็นอินพรมก็ดีที่เวียนไววอยู่ในวัฏฏะสงสารข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาทุกวิญญาณข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ค่าวทุกวิญญาณขอให้มีความสุข แต่ท่านเจ็เหล่านั้นจะสุขหรือไม่สุขก็สุดแท้แต่ว่าใจของเราในปราถนาอยากจะให้ท่านเหล่านั้นเป็นสุขพอที่จะช่วยเหลือตรงไหนสิ่งใดได้เราก็พร้อมที่จะช่วยสิ่งนั้นอันนี้คืออยู่ในใจของเราอันดับแรกก็คือมอบกายถวายชีวิตต่อคุณงามความดีท่านผู้ใดก็ตามปฏิบัติปฏิบัติชอบจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตบูชาต่อคุณงามความดี อันที่สองก็คือได้ประมาทพลาดพังด้วยกายกรรมเมื่อกี้กรรมมโนกรรมต่อผู้มีพระคุณเหล่านั้นอันที่สามก็คือแผ่เมตตาต่อเราเองต่อสปปรรพสัตว์ทุกทวนหน้าให้มีความสุขอันนี้ ค, คือความมุ่งมั่นในใจของเราถ้าหากว่าท่านผู้ใดก็าตามมีจิตใจมุ่งมั่นอย่างที่ว่าน จิตใจจะไม่กระสับกระสายจิตใจจะไม่วุ่นวายจิตใจจะไม่เดือดร้อนจิตใจจะนิ่งอยู่กับตัวเองจะดีหรือจะชั่วยังไงก็ตามมันอยู่ที่ตัวของเราเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเราจะไปกระเสือกกระโสนขึ้นดินฟ้าอากาศขึ้นนุ่นพระทิตย์พระจันทร์านอวากาศที่ไหนก็เถอะถ้าใจของเรามันหาความสงบสุขไม่ได้อยู่ที่หนุ่มกรร้อนอีกอย่างเก่านั่น มันหาความสุขจะหาที่ไหนมันต้องหาที่ใจของเราเองถ้าหาที่ใจของเราเราจะเจอจเจอจเจอความร่มเย็นเป็นถุกจะเจออยู่ที่นี่ถ้าเจอหาถูกช่องถูกทางนะแต่ถ้าหาว่าหาไม่ถูกช่องถูกทางนะความเดือต้อนที่สุดก็คืออยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกัน น, นี่แหละอันนี้ก็คือการวางตัวการวางใจสำหรับพวกเรา ท, ทุกทท่านนะ แล้วก็วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบเอ็ดดับอีกเพนหน้าเนี่ก็เดือนสิบสองเพนปีสี่สิบแปดก็แปลว่าในจันทรคตินี่จบปีพอดีดเลยก็ว่าเป็นปีใหม่แล้วเนียเดือนสิบสองเพนแปลว่าจบปีเหมือนกับทางโลกเขาว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราอย่างนั้นอันนี้ทางจันทรคติทางพุทธศาสนาเนี่ย ท่านถือเดือนสิบสองเพนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแหละปีหนึ่งสี่สามสิบสองสามฤดูฤดูละสี่เดือนจากนั้นไปพอนับไปแล้วก็เข้าเขตฤ ด, ดูหนาวแล้วได้ท่นี่ฤดูฝนในจบเดือนสิบสองเพนเนี่ย้อยกระทงฤดูฝนจบเท่า น, นี้จากนั้นต่อไปกับเป็นฤดูหนาวจนถึงเดือนสีน่เพนจากนั้นกัพอออกจะเดือนสี่เพนกับเป็นเขต ฤดูร้อนเน่ยจะจถึงเดือนแปดเพนเออจากนั้นเข้าฤดูฝนอีกวกปนเวียนอยู่อย่างนี้แล้อ่อวันคืนเดือนปีมันวกปนเวียนอยู่ในแต่ละปีและปีและปีแต่เราก็ให้ความสมมุติของมันห่อวามันก็ผ่านไปตามเรื่องของมันแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเถอะมันก็ร้อนมันก็หนาวมันก็เย็นเขาเลยเราเราก็เลยสมมุติให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นให้มันถูกกับการเป็นอยู่ของมันก็เลยมีสามฤดู ในเมืองไทยในบ้านของพวกเรานะแต่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปอย่างที่มันไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นแหะแต่ที่มันสําคัญน่ะมันมันมีอีกได้ปะเนี่คือชีวิตของเราเน่ยมันไปหน้าเรื่อยจ้ะเนี่ยมันไม่วนเหมือนกับเดือนวันคืนเดือนปีมันคืนเดือนปีมันมีอยู่สามฤดูปีหน้าก็ยังเก่าปีหน้าก็ยังเก่าแต่ว่าชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นจ้ะเนี่ย เฮหางตาไม่เคยเป็นตีนกาก็เริ่มเป็นตีนกาใหญ่ขึ้นว่างั้นเอหนังที่ไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวเข้าว่างั้นเถอฟันที่ไม่เคยโยกเคยคอนก็เริ่มโยกเข้ามาละผัวที่สุดล้างไม่เคยกกมเคยโกมเคยง่อมก็ง่อมไปเรื่อยๆบ้านเนี่อแต่วันคืนเดือนเปียมันอยู่อย่างเก่าเน้สามฤดูอย่างเก่าแต่ตัวของเรามันไม่ใช่อย่างเก่านมันไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อย ผลที่สุดแก่ไปเรื่อยเนี่ยตัวเนี่ยไม่ไม่อยู่กับที่อยงเง้เพราะฉะนั้นในพวกเราสังเกตตัวเองนะไหลไปเรื่อยอย่างนั้นเราจะทำยังไงทีนี้นะเนี่ยเราจะคว้าอะไรใส่กระเป๋าไปด้วยทีเพราะมันไหลลื่นไปเรื่อยเนี่เอเราจะทำยังไงจุดนี้แหละสำคัญเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา เ, เตรียมเตรียมพร้อม อีกสักวันหนึ่งไหลไปไหลไปก็ถึงหน้าผาอะไรทํายังไงเออตกต้นไปทางหน้าเลยเออแต่มันไม่ดับได้เท่นี่แปลว่าร่างกายตอนนี้หมดละบาดหมดสภาพตกลงนั้นเออแต่รถรถกระโดดตกหน้าผาแล้วเออแต่คนเดินออกจากรถไปอีกพอเดิดออกจากรถไปแล้วทีนี้มีอะไรตอรถมันพังแล้วอรถมันพังแล้วไอ้ของที่ในรถมีอะไรบ้าง ถ้ามีกระเป๋าเงินใบพักใหญ่เบอ้อเล่ออยู่นั้นก็เออจึงพออุ่นใจเด้พอโดดออกจากมันก็มีเพชรนินกินดาอยู่ในกระเป๋าเออเอารถพังเราชูมันเอาไม่ไหวและรถปันนี้ทิ้งแล้วเพราะมันจะซ่อมไม่ไหวมันตกตกเหวละแล้วเราก็เอาของในรถที่มีคุณค่าเพชรนินกินดาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อไปอ่ เ่เดินทางต่อไปเรามีเงินเราจะไปเข้าที่ไหนก็ได้บ้านเนี่ยร้านอ า, อ, อาหารจะไปที่ไหนก็ได้ เ, อเพอเพอซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าเก่าอีกเพราะเรามีทุนทรัพย์ในกระเป๋ า, เาไปเมืองผีไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายได้ป้อ น, นออกกันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครป้นจี้ใครไม่ได้ทั้งนั้นของใครของเร า, างั้นะ เ, เพราะนั้นเมืองผีนี่ซื่อสัตว์ บุญกุศลอยู่กับตัวของเราแล้วใครป้นไม่ได้ขโมยไม่ได้โคดโกงไม่ได้ของใครของเราจะไปขอกันก็นไม่ได้อีกไปเมืองผีจะไปขอกันกินไม่ได้เนียของใครของเราอีกเนี่เแหละพอเนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้อย่าประมาทมันไปังอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอีกสักวันหนึ่งนะพวกเราต้องกระโดดเหวแล้วงั้นกระโดดเหวก็คืออะไรก็คือตายนั่นแหละ แเมื่อตายไปแล้วออกจากร่างแล้วจิตใจเป็นยังไงถ้าเรามีทรัพย์สมบัติก็อย่างที่ว่านั่นน่ะถ้าหาว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติก็ทุกจนแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะที่ให้ทานรักษาศีลภาวนาที่พวกเรากระตะเกียกตะกายพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่ารงพงไพ่นะะี่กับเพื่อบำเพ็ญตัวนี้นะะ่ะคือไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน ว่าคิดว่าจะไม่ตายไม่เป็นคนเกิดมาแล้วตายไม่ไม่เป็นนะมีอะไรจะเอามาให้มันสุดเหวี่ยงด้วยความสุขว่างั้นนีส่สะแสวงหาหมดแต่นี้พอมาคิดดูแล้วเนะ่ะความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมันค้นหาไม่เจอออย่างโลกเขาหากันเน่ยว่ามีเงินคําทรัพย์สมบัติพอไปเอาไปเามาได้เงินมามากมา ก, มากเขาคด เขาโกงเขาป่นเขาจีเอออย่างได้มากๆม า, มาไม่รู้จะทําไงมีทุกอีกอย่างมีอย่างที่พระพุทธเจ้ามาปล่อยวางทั้งหมดเฮ้ยปล่ อ, ลอยกระทั่งจิตใจของตัวเองอันนั้นคือความสุขสุขในระดับหนึ่ง อ, อสุขที่แท้จริงนี่นคือจุดนั้นแต่พวกเรามันทําไม่ได้อย่างนั้นถ้าทําก็ทําแบบตัดขาดอย่างสุดๆอย่างพระพุทธเจ้าพาทําพระพุทธเจ้าพาทำอั น, นั้น สุขจริงๆนะหาความสุขที่แท้จริงต้องหาอย่างนั้นแต่ถ้าหาความสุขอย่างอื่นเนี่ยมันคว้าไปคว้ามาคว้าไปคว้ามามีก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งจนก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่โลกของเราบอกถา้าม่ามีดีกว่าจนกับรูปพวกเราก็เลยหาความสุขในนี่แหละที่มันมีทุกทุกใน ทุกที่มันมีเนี่ยดีกว่าทุกที่ไม่มีพวกเราก็เลยส่องแสวงหาหทุกขในสิ่งที่มันมีนี่แหละงั้นพอประทังเอาไว้แต่ถึงยังไงเราก็รู้แก่ใจว่าถึงจะมีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งถึงไม่มีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งนี่แหละสรุปแล้วก็คือการส่อสแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั่นคว้าไปคว้ามาครุ่นไปครุนมามันก็หาไม่เจออีกอย่างเก่านั่นผลที่สุดก็ จุดจบของชีวิตก็คืออะไรแต่เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยแต่เนี่ยเนมันทุกอย่างมหันต์ทีเดียวมรณะภัยมาถึงเข้ามานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ให้รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ปัจจุบันะจิตรู้ปัจจุบัน น, รจจ น, นธรรมให้ปล่อยให้วางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ย มันถือมันแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจนั่นแหละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนะวันนี้หลวงพ่อก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายการสั่งสมคุณงามความดีวันคืนเดือน ป, ปีล่วงไปล่วงไปแต่พวกเราไม่ควรประมาทอีกสักวันหนึ่งนะ ไปถึงหน้าผาหน้าเหวแล้วก็รถต้องกระโดดลงหน้าผาพอรถกระโดดยุบลงที่นั่นเน่ยตัวของเราไม่ตายเลยออกจากรถไปเรามีกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเงินใบใหญ่หรือเปล่าที่จะไปสแสวงหาความสุขต่อไปถ้าพวกเราไม่ได้สะแสวงหาเงินใส่กระเป๋าเอาไว้พวกเราทุกนะไม่มีบุญวิญญาณไม่มีบุญนะ่ไปหาเกิด เป็นสัตว์ที่ชานไปเป็นเปรตเป็นสัตว์นานาประเภทเหมือนกันนะช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ดวงวิญญาณของเราไปเกิดได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีบุญนะถ้ามีบุญก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมมนุษย์ที่เขามีความสุขความเจริญตระกูลใหญ่ๆไปเลือกเกิดเอาได้ถ้าเรามีบุญนะเอาตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พรทรบ พระรคาวินิมุตตตนซาภาสันตาปา